คืออาจารย์ทั้งหลายก็ตั้งใจฟังให้รู้เรื่องเนะว่าปฏิบัติให้ได้เพราะว่านี่เป็นโอกาสที่อาตมาจะตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ <c oughs> คือการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่เราชอบไปคิดกันเองว่าการปฏิบัติธรรมต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้มีเงื่อนไขมากมาย ทั้งๆ ท, ที่ความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีอะไรยากเลยหลักของการปฏิบัติต้องอยู่ในกรอบของอริยสัจสี่การปฏิบัติธรรมถ้าหลุดออกจากกรอบของอริยสัจสี่แล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แน่นอนนี่กรอบของอริยสัจสี่สอนบอกว่าทุกให้รู้สมูทไทให้ละเราจับสองตัวนี้การรู้ทุกการละสมูทไทนะั่นแหละคือการเจริญมรรค นะถ้าเรารู้ทุกข์เราละสมุธใยละความอยากในใจเราได้เด็ดขาดเนี่ยนิโรธคือนิพพานจะปรากฏคือความพ้นทุกข์จะปรากฏนะนิพพานไม่ใช่อะไรอื่นนิพพานคือความสิ้นปัญหาสิ้นความอยากสิ้นความทยานในใจในใจจะเข้าสู่ความปลอดโปรงเป็นกลางเบาๆสบายนี้จะเข้าไปถึงความพ้นทุกข์ได้นะท่านสอนบอกว่าให้จเจริญมรรควิธีจเจริญมรรคคือให้รู้ทุกข์ให้ละสมุธใย การรู้ทุกข์ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรการรู้ทุกข์น ง, ง่ายมากนะท่านสอนบอกว่าทุกข์คือตัวอะไรทุกข์ก็คืออุปาทานขันห้าหรือรูปกะ น, นามหรือกายกระใจนั่นเองคือตัวทุกขนะ์หน้าที่ของเราก็คือการรู้กายรู้ใจนะท่านไม่ได้สอนให้ละนี่พวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราคิดอยากละทุกข์เนี่ยพอเราปฏิบัติด้วยความอยากจะละทุกข์เนี่ยจะไม่มีทางสาเร็จเลย เนะพราะพูะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หละทุกนะท่านสอนว่าทุกให้รู้เพราะฉะนั้นการรู้ทุกนะวิธีรู้ทําอย่างไรนะเรารู้แล้วว่าเราต้องรู้กายรู้ใจนะวิธีรู้ทุกนะท่านสอนอยู่ในสติปัฏฐานนะหลักของสติปัฏฐานน่ก็ง่ายๆนะกายานุปัสนาสติปัฏฐานอาจารย์เก่งภาษาไทยกายอนุปัสนาสติปัฏฐานมีฐานนีสติ นะระลึกตามระลึกตามรู้กายอยู่หนึ่งเนืองนะอนุปัสนาปัสนาว่าการรู้การเห็นอนุปวัตตามนะอนุตามหนึ่งอนุชาผู้เกิดตามมาภายหลังนี่ยะแต่อนุภรยาภรยาที่ตามมาภายหลังเนียนะเพราะฉ<น>ะนั้นเวลาเราจะปฏิบัติธรรมเราจะตามรู้กายตามรู้ใจนะหลักของการตามรู้กายเรียกกา ย, ยานุ ป, ปัสนาสติปัฏฐาน ก็มีหลักง่ายนิดเดียวเองพระพุทธเจ้าสอนบอกว่ า, ากายของเธออยู่ในอาการอย่างไรนะก็รู้ว่ามันอยู่ในอาการอย่างนั้นเช่นเรานั่งเนี่ยอยู่ในอาการนั่งรู้ว่านั่งร่างกายเคลื่อนไหวรู้ว่าเคลื่อนไหวนะคอยรู้สึกตัวไว้การตามรู้จิตใจนะก็ทําแบบเดียวกันคือจิตใจของเรามันมีความรู้สึกอย่างไรให้เรารู้ทันมันเราจะรู้เลยว่าจิตใจของเราแต่ละวันเนี่ยไม่คงที่ เดี๋ยวก็รู material, ้สึกสุขเดี๋ยวก็รู้สึกทุกข์นะเดี๋ยวก็รู้สึกดีเดี๋ยวก็รู้สึกร้ายเดี๋ยวก็เป็นแม่พระเดี๋ยวก็เป็นแม่มดนะจะให้เราเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงในใจของเราไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานนะตามรู้กายแผลกายอยู่ในอาการอย่างไรก็รู้ตามรู้เวทนาคือความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างไรก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นตามรู้เท่าที่เขาเป็น อย่าไปดักไว้ก่อนอย่าไปเ้องไว้ก่อนจิตใจของเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ให้เราตามรู้ไม่มีอะไรมากมีเท่านี้เองหลักของการปฏิบัตินะที่เรียกว่าวิปัสนาการตามรู้กายตามรู้ใจในที่สุดเราจะเห็นความจริงว่ากายกับใจเป็นของที่บังคับไม่ได้นะเช่นเรานั่งเนี่ยเรานั่งให้สบายเริ่มต้นนั่งให้อย่างสบายสบายๆนะนั่งไปสักพักหนึ่งความเมื่อยตามมาถึงลนะ พอเมื่อหยิบคั้นทําให้นั่งอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะความทุกข์มันตามมาแล้วเราก็ต้องขยับนะเปลี่ยนอิริยาบถนี้ความทุกข์ไปหนีไปแล้วก็สบายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาอีกแล้วหรืออย่างเราหายใจเข้าหายใจเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้มันทุกข์แล้วก็ต้องหายใจออกหายใจออกอย่างเดียวก็ไม่ได้มันทุกข์อีกเนี่ยเราจะเห็นในร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจะตามรู้ไปเรื่อยๆจะเห็นเลยว่าเราบังคับเขาไม่ได้จริงหรอก ส่วนจิตใจละ่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายถ้าตามรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เมื่อไรเราสามารถเห็นสภาวะคือเห็นกายเห็นใจได้เราก็จะเห็นใจรักเองไม่ต้องเรียกร้องหาใจรักไม่ต้องคิดเรื่องใตรักเพราะว่าร่างกายมันแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงการบังคับไม่ได้อยู่แล้ว จิตใจก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงความทนอยู่ไม่ได้แสดงการบังคับไม่ได้อยู่แล้วอย่างเรานั่งฟังเนี่ยสังเกตไหมเราฟังบางครั้งเราก็ใช้ตาดูบางครั้งเราใช้หูฟังนะดูหน่อยหนึ่งฟังหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปใช้ใจคิดสังเกตไหมเราฟังเวลาฟังเนี่ยกระบวนการฟังของเรานะเดี๋ยวตาดูเดี๋ยวหูฟังเดี๋ยวใจคิดจิตมันเกิดดับนะ ค, ความรับรู้เนะี่ยเกิดทางตาเกิดทางหูเกิดทางใจเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้เนี่ยเราเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นความจริงเหล่านี้เองเมื่อไหร่เห็นความจริงว่าขันห้าคือกายกับใจนไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เมื่อนั้นความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราก็าจะดับไปความเห็นผิดว่ากายกับใจคือตัวเรานี่ยเรียกว่าสักกายทิฏฐิใครล้สักกายทิฏฐิได้ท่านเรียกว่าพระโสดาบัน นี้เราอยากเป็นพระโสดาบันเราก็ต้องละสักยัตทิฏฐิคือละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราอยากละความเห็นผิดก็ต้องเห็นถูกว่าที่จริงมันเป็นตัวเราหรือไม่เป็นตัวเราอยากเห็นถูกจะทำยังไงก็ต้องตามรู้ไปตามที่เขาเป็นไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาเองไม่ใช่ไปนั่งเท่งทำใจให้นิ่งให้ซึมให้ทื่อไม่ได้ทาอย่างนั้น การเพ่งจิตให้นิ่งๆ น, งนะกำหนดลมไปแล้วเครื่มๆอะไรนี่เป็นเรื่องของสมถะสมถามีมาก่อนพระพุทธเจ้าทำไว้เพื่อให้จิตได้พักผ่อนเท่านั้นเองในขั้นวิปัสนาหรือขั้นเจริญปัญญานี่ให้เราคอยรู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยนะรู้จักใจลอยไหมอาจารันใจลอยนั่นแหละภาษาแขก เ, เรียกขาดสติแลษไทยง่ายๆใจลอยพอใจลอยจิตใจเราก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้ก็แค่นี้เองเพราะฉะนั้นศัตรูหมายเลขหนึ่งของการที่จะตามรู้กายตามรู้ใจก็คือความใจลอยเหลอไปใจลอยไปเห็เกตุไ้มใจเราชอบแอบคิดอย่างนั่งๆเนี่ยใจเราแอบคิดนะมันเผลอไปใจลอยมีหลายระดับนะมีหลายเกรดใจลอยสูงสุดเลยใจลอยสุดจีดก็คือแอบคิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน เผลอเเพลินเพลิลนไปนคิดอะไรก็ไม่รู้นีใจลอยสุดขีดใจลอยระดับรองลงมาคิดอะไรก็รู้หมดเลยรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจสังเกตไหมเวลาที่เรานั่งคิดอะไรเนี่ยเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็ทำนิพพานาไม่ได้เพราะเราลืมกายลืมใจสตูองลงมาคือการนั่งเพ่งอนั่งจ้องนั่งเพ่ง ดูสิร่างกายนี้เมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงดูสิจิตใจเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงนี่เราทําไม้ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้นั่งเพ่งเอาไว้ก่อนไม่ได้นั่งดักเอาไว้ก่อนแนะว่ากายกับใจเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงแต่ท่านสอนให้ตามรู้ตามรู้หมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็คอยรู้ไปตามรู้ไปสบายสบาย เพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยในขณะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยจิตใจจะเบาเบาสบายตื่นตัวเบิกบานนะเรียกรู้ตื่นและเบิกบานสงบสะอาดสว่างและแต่แต่และสำนักก็จะบัญญัติต่างกันไปอาจารย์สังเกตไหมใช้เราถล่มลงไปดูเราส่งจิตของเราเข้าไปดูถ้าการปฏิบัติจริงๆเนี่ยพอเราส่งจิตของเราเข้าไปเรารู้ทันว่าส่งจิตเข้าไปแล้ว ล้วเนีจิตส่งออกนอกเลยแต่อันนี้เรียกว่าส่งในส่งเข้าข้างในหลวงปู่เทศสอนไว้จิตส่งออกนอกจิตส่งในเนี่ยส่งออกทั้งคู่เลยถ้าจิตเราไหลเข้าไปในความคิดหรือเราเวลาเราปฏิบัติทำเราจะจ้องเข้าข้างในนะรู้สึกไหมเราจ้องเข้าไปข้างในเนี่ยเราถล่มลงไปเราไปคิดว่าธรรมะอยู่ข้างในถ้าจ้องไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะเห็นธรรมะไม่เห็นหรอก ธรรมะไม่ได้อยู่ตรงนั้นธรรมะไม่มีนอกมีในอะไรหรอกนะถ้าจิตเราถลำลงไปเรารู้ว่าจิตถลำลงไปเนี้ยจิตจะเกิดความรู้สึกตัวจิตจะเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาแม้อาจาร์ดูออกไหมเนี่ยเข้าไปแล้วอย่างเนี้ยเรียกเราส่งเข้าไปข้างในนะวิปัสสนาจริงๆเราไม่ได้ทาอย่างนั้นวิปัสสนาจริงๆเนี่ยกายเราเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเราเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้น เราจะไม่เอาใจเราส่งก็ไปกวานเที่ยวไปสแกนหาว่าจะดูอะไรดีไปกวานควานพอไปเจออะไรก็นั่งจ้องเอไว้แต่ว่าเนี่ยธรรมะนั่งจ้องนี่ไม่ใช่เลยนี่เราหลงผิดตั้งแต่เริ่มต้นคือเราหลงส่งจิตเข้าข้างในเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรารู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวรู้สึกอย่างเป็นกลางกลางรู้สึกด้วยใจที่ตั้งมั่นเนี่ใจออกนอกครับไหมใจหนีไปข้างนอก หนีไปคิดเรื่องอื่นวับแวบวับแวบหนีไปดูพวกเรารู้จักสภาวะอันนี้ไหมอย่างเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเนี่ยเราลืมตัวเราเองเราเห็นแต่เขานี่จิตส่งออกนอกเราฟังเสียงนะเราฟังเสียงนี่เรารู้หมดเลยเสียงใครพูดอะไรเรารู้หมดเลยในขณะที่ฟังนั้นเราลืมตัวเราเองนี่ก็ลงเหมือนกันในขณะที่ใจเราคิดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรารู้เรื่องที่คิด แต่เราลืมตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่สามารถรู้สึกตัวตามรู้กายตามรู้ใจไม่ใช่การนั่งเพ่งไม่ใช่การเผลอไปนะเมื่อ น, นั้นแหละความรู้สึกตัวที่แท้จริงจะเกิดขึ้นการรู้กายรู้ใจที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นใจลอยทราบไหมใจมันหนีไปมันหนีไปคิดที่อื่นนะเนี่ยหนีไปละขนาดนี้นะหนีแวบบ แวบสังเกตไหมมันหนีแว บ, บแบบวบเรืยเดี๋ยวแวบบเดี๋ยวแวบเบดี๋ยวแวบหน้าที่เราคอยรู้ทันนะแวบบไปรู้แวบบไปรู้ไม่ห้ามนะห้ามห้ามนี่ต้องห้ามห้ามห้ามไปห้ามมันให้ตามรู้ลูกเดียวไม่บังคับไม่กดข่มนะการทำนี้ปัสตนาไม่ได้ฝึกให้เราเก็บกดเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นให้ตามรู้ลูกเดียวเช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธนะความโลภเกิดขึ้นรู้ว่าโลภนะี่ จะเห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเขานะไม่ต้องแก้ไขจิตเราวิ่งไปทางไหนก็อคอยรู้ทันอาจาร์ น, ะนครดูออกไหมจิตมันสายวับแป๊บวับ แ, บ, บ, แ, บ, บ, แ บ, บไปเรื่อยนะนี่เราหัดดูตัวสภาวะอย่างนี้นะาการท่องสูกสงสัยความสงสัยเกิดขึ้นรู้รว่ากำลังสงสัยอยู่นะเน่ยเฝ้ารู้ลงไป อ่านความรู้สึกไปเรื่อยๆถ้าพูดง่ายๆนะพูดง่ายๆไม่มีอะไรมากค่อยอ่านความรู้สึกของเราไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดียเด๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงไปเดี๋ยวสงสัยกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นมานี่กิเลสมันจะหลอกเราให้เราคอยคิดเอาอย่างเช่นเราเร า, เรารักใครเนี่ยความรักเกิดขึ้นในใจเราก็จะไปคิดถึงคนที่เรารักลืมตัวเอง เราโกรธใครเราก็ไปคิดถึงคนที่เราโกรธเราลืมตัวเราเองเพอเราสงสัยเราก็คิดใหญ่เลยว่าคําตอบที่แท้จริงคืออะไรเราลืมตัวเราเองลืมรู้ทันว่ากำลังสงสัยอยู่ไม่แม้การปฏิบัติไม่ยากหรอกจิตใจเราเป็นยังไงคยรู้ไปเรื่อยรู้ไปรู้บ้างเสือบ้างได้บ้างเสียบ้างไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ตลอดพรู้ตลอดจะกายเป็นนั่งเพ่งเงานั่งจ้องเคร่งเครียด เนื้อใจเราอาจารย์สังเกตไหมเดี๋ยวก็หนักขึ้นมาเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หนักนะเนี่ยเราเข้ารู้ความเปลี่ยนของเขาพอเราตั้งใจมากมันก็หนักมากทำไมตั้งใจมากแล้วหนักมากความจริงก็คือเราอยากมากนั่นเองเราอยากตึกมีบัติแต่ถ้าตั้งใจใหญ่เลยเราก็หนักขึ้นมาแน่นขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดเพราะความอยากของเรานั่นเองเ น, นี่ยใจหนีไปคิดใช่ไหมหนีไปคิดแล้วก็หนีไปสังเกตพ่าจะดูตัวนี้ะ จิตไปดูเขาเรารู้ทันว่าจิตกำลังสงออกไปถ้าเฝ้ารู้เท่าทันการทำงานของจิตจิตแอบทำงานทั้งวันเราคอยรู้ทันเขาแอบทำงานเรารู้ทันไปเรื่อยไปที่สุดเขาก็เลิกทำงานจิตที่ไปทำงานก็เป็นกุศลบ้างากุศลบ้างจิตที่ไม่ทำงานเขาเรียกว่ามหากริยาจิตจิตไม่ทำงานทาหน้าที่รู้อย่างเดียวรู้ซื่อ ไม่มีดีมีร้ายอะไรแต่นะครคิดทราบไหมนะจิตมันคิดเราทราบว่ามันคิดนะปนี้ไม่ทราบอะมองดูแนละ้คือธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนจะต้องต้องคิดคือจิตนี่เราห้ามไม่ให้คิดไม่ได้นะความคิดนี่เป็นปัญญัติก็จริงแต่ปัญญัต์นี่มีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นอนัตตาห้ามไม่ไดนะ้นี่หน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่ไปดูเรื่องที่คิด หน้าที่ของเราคือจิตมันคิดเนี่ยเราห้ามไม่ได้แต่พอเป็นคิดไปแล้วเนี่ยเกิดความสุขเกิดความทุกข์ก็ให้เรารู้ทันคิดไปแล้วเกิดกุศลหรือเกิดอกุศลให้เรารู้ทันตัวสุขทุกข์กุศลอกุศลเนี่ยเรียกว่ามันมีสภาวะเป็นเป็นเตสิกปรมัตุทธิเนี่ยเราเฝ้ารู้ไปเพราะฉะนั้นเราไม่ห้ามความคิดนะอาจารย์มันอยากคิดอะไรให้มันคิดไปแต่คิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเนี่ยรู้ทัน จะเห็นว่าสุขทุกข์กุศลอกุศลเนี่ยเป็นอากรตุกะที่จอมาเป็นคราวๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เฉยๆไม่หลงตามเข้าไปในสุดใจจะค่อยๆถอดถอนตัวเองออกมาเริ่มต้นก็ถอดถอนออกมาเป็นผู้รู้เป็นผู้สังเกตการเป็นแค่ผู้สังเกตการเท่านั้นเองไม่ใช่ผู้แสดงแต่ถ้าเราขาดสติแล้วจิตของเราเป็นผู้แสดง แล้วเรารู้ทันจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูพอฝึกมากเข้ามากเข้าก็จะปล่อยวางตัวผู้รู้นี่อีกอีกชั้นหนึ่งวิธีที่เราจะหัดตามรู้จิตใจของเราเนี่ยมีวิธีง่ายๆอย่างหนึ่งลองสังเกตจิตใจของเราขณะ น, นี้กับจิตใจเมื่อเช้านี้เหมือนกันไหมความรู้สึกเราจิตใจตอนมาถึงวัดใหม่ๆกับจิตใจตอนนี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมอย่างตอนมาถึงวัดใหม่ๆบางคนตื่นเต้น นะใจตุ้มต่ำุ้มต่ำเนะี่ยตอนนี้ใจนิ่งนะิ่งเนี่ยไม่เหมือนกันตอนคานข้าวเพลินพูดกันเพลินไปเลยนะใจก็แบบหนึ่งใจขนาดนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นวิธีหัดที่เราจะหัดสังเกตตัวสภาวะนะเนี่ยติดห น, ดดนะ น, นีไปคิดนะมันหนีไปเราก็รู้ว่ามันหนีไปไม่ห้ามนะคอยตามรู้การทํางานของเขาไปเรื่อยๆไม่จ้องนะถอยขึ้นมาอย่าลงไปจ้องมัน ถ้าลำลงไปจ้องรู้ว่าจ้องแล้วนี่เรียกว่าการรู้ทันในที่สุดเราจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้ลงไปจ้องอย่างเอาเป็นเอาตายเอาท่านไหนมีอะไรจะพูบ้างไหมว <c oughs> ันนี้มาหลายสำนักพูดยาก <c oughs> สรุปง่ายๆนะก็คือว่าเราปฏิบัติธรรมเราต้องรู้เป้าหมาย <c oughs> เป้าหมายแรกที่เราต้องมุ่งไปนะ ก็เรียกว่าต้องมีดวงตาเห็นธรรมในปฏิบัติธรรมทั้งทีก็ต้องให้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะเรามักน้อยเราไม่มากมากแค่นี้พอนี่อยากมีดวงตาเห็นธรรมก็ต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรไม่งั้นถึงเราเดินชนธรรมะเราก็ไม่เห็นธรรมหรอกธรรมะคือรูปธรรมกับนามธรรมานั่นแหละเข้ารู้ลงในกายในใจของเรานี้แหละเมื่อไร่เห็นว่ากายกับใจบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรา ไม่เที่ยงเป็นผู้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเมื่อนั้นเห็นความจริงเห็นความจริงของรูปธรรมเห็นความจริงของนามธรรมสักยทิฐิจะขาดึเรียกว่าเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นอยากมีดวงตาเห็นธรรมจะไปดูอย่างอื่นไม่ได้ต้องดูกายดูใจของเราเองวิธีดูกายดูใจง่ายๆมันเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ไปควบคุมไม่ไปดัดแปลงแก้ไขไม่ไปบังคับไม่ไปนั่งจ้องใส่มัน นะอย่าอาจารย์สอนนักเรียนมานานนะเป็นกเกษียณมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนเยอะอาจารย์ลองนึกภาพเลเราอยากรู้ว่านักเรียนห้องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยนะเราไปยืนหน้าชั้นเนี่ยเราไม่ได้ความจริงนะนะเราต้องแอบดูดูห่างๆให้เด็กนะั้นมั น, สนแสดงพฤติกรรมตัวจริงของมันออกมาเราอยากรู้จากตัวเราเองว่าจิตใจของเราเป็นยังไงเราดูอยู่ห่างๆอย่าไปตั้งจ้องมัน นั่งเพ่งนั่งจ้องแนละ้วมันทําเรียบร้อยหมดเลยมันนิ่งหมดเลยเพฉะนั้นอยากรู้ตัวจริงของมันนะปล่อยให้มันโซนไปแล้วเราตามรู้นะเดี๋ยวก็จะเห็นเลยเด็กคนนี้เดี๋ยวหัวเราะแล้วเด็กคนนี้ร้องไหนะ้ไอคนนี้ดีใจคนนี้เสียใจคนนี้สุขคนนี้ทุกนะคนนี้โลภอยากขโมยของเพื่อนไอคนนี้ขี้มโมโหโกรธเพื่อนนี่ตัวจริงของมันแสดงออกมานะแต่ถ้าเราถือไม่เรียวยืนหน้าชันนะเด็กทุกคนเรียบร้อยเหมือนกันหมดเลย ันั้นจิตทุกดวงเรียบร้อยหมดเลยเวลาเรานั่งจ้องเพราะนั้นเราไม่นั่งจ้องแต่เราตามรู้ไปจิตใจของเราอย่างขนาดนี้อาจารย์รู้สึกไหมใจเราเบากว่าเมื่อกี้เมื่อกี้หนักตอนนี้เบาเนี่ยเปลี่ยนแปลง เ, เราไม่ได้ทำอะไรแต่เขาเปลี่ยนแปลงหน้าที่เราเข้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในที่สุดเรารู้ความจริงว่ากายเ็เปลี่ยนแปลงใจกขเปลี่ยนแปลง น, นี่เห็นธรรมะธรรมะจะไปเรียนที่อื่นไม่ได้ โยมมาจากไหนการทิมนี้ไม่เคยเห็น <c oughs> <c oughs> ภาวนาเป็นไงคุณหมอฝึกแนวหลวงพ่อเทียนรึป่ะเออดีนะฝึกแปหลวงพ่อเทียนก็ดีนะสอนให้เราขยับตัวขยับร่างกายเพื่อกระตุ้นความรู้สึกตัวนะไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับนะ แต่เราขยับเพื่อจะให้ความรู้สึกตัวมันเกิดปลุกตัวเองให้ตื่นให้มันอ alert ขึ้นมาอย่าลงไปซึมซึมแช่แช่นี้บางทีเราฝึกมากๆเข้ามากๆเข้ากลายเป็นเราเป็นบังคับใจของเราให้มันนิ่งๆพฤติกรรมของจิตใจเราเนี่ยทุกหย่ยงเบนไปจิลาน้อยจิลาน้อ ย, อยบางทีเรารู้ไม่ทันแใ่เรามันนิ่งกว่าความเป็นจริงแล้วก็ค่อยรู้ทันมัน ขึ้นมาอย่าไปเพ่งอย่างนั้นอย่าหลงไปนั่นเผลอไปแล้วนะถอยขึ้นมาไปยขึรู้สึกตัวขึ้นไหมใส่ทอานหสือีานเขียนทีท่านได้พบของคุณว่าเวลาจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยคิดว่าน่านจะทําอะไรเพื่อที่จะได้เกิดในจิตสำนกที่สะอาดแล้วไปยังเลไม่ออกครับ <laughs> ที่จริงเราง่ายๆนะตอนอาตมาไปกราบหลวงพู ด, ดูนียี่สามคุมพาสองห้าไปกราบท่านทีแรกก็กลัวไม่เคยไปคุยกับพระผู้ใหญ่เลยนะนี่อาจารย์ของหลวงพู่ฟั้นด้วยซ้ำไปนะอาวุโสมากเ้าไปก็กลัวท่านนะแข็งใจจดจ้องอยู่หน้ากุฏิไม่กล้าเข้าไปนะ ย่องไปย่องมาท่านเลยเดินลอมาเสีเองท่านออกมาแล้วท่านกา็นั่งเก้าอี้เข้าไปกราบท่านหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติบอกท่านท่านก็นั่งนิ่งๆสักพักแล้วท่านก็บอกอการปฏิบัติมันไม่ยากหรอกมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเท่านั้นแหละอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองคําว่าอ่านเนี่ยมีความหมายมากคําว่าอ่านไม่ใช่เป็นนักประพันธ์เสเอง นะไม่ใช่เราไปนั่งแต่งจิตของเราอเองแต่จิตของเราเป็นอย่างไรเราตามรู้ก็อย่างนั้นนะนี่อาตมาก็เริ่มจับจุดนี้ที่ท่านสอนแต่ตอนนั้นยังตีประเด็นท่านไม่แตกอะ่นะท่านบอกให้อ่านจิตตนเองนะท่านถามเข้าใจไหมนะกําลังพลืม้มเราเข้าใจครับยนะังโง่สุดๆเลยนะไปบอกท่านเข้าใจครับนะเออเข้าใจแล้วไปทาําเมากล่าบท่านมาขึ้นรถไป รถไฟออกจากสุรินทรานึกได้ท่านบอกให้ดูจิตให้อ่านจิตจิตมันคืออะไรจิตมันอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปอ่านมันไม่รู้สักอย่างเดียวเขาไม่รู้แล้วจะทําไงตกใจจะสิตกใจแล้วจิตใจเราสับสนนละ้เราพุทโธไว้ก่อนนะไม่รู้จะทําอะไรทํากรรมฐานไว้ก่อนพุทโธพุทโธพอสบายใจแล้วก็มานั่งนึกดูไอ้จิตนี้ต้องอยู่ในตัวเราจิตต้องไม่ไปอยู่ที่อื่นหรอกเพราะฉะนั้นเราจะคอยรู้อยู่ในตัวเรานี้แหละ ไปตามรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งต้องเกี่ยวจิตเริ่มเลยดูที่เส้นผมนี่มีจิตไหมจิตอยู่ในผมเปล่าไอ้ผมมันก็ของถูกรู้มันไม่ใช่จิตเนี่ยมันเป็นวัตถุไล่ตั้งแต่ผมถึงเท้าเลยไม่มีจิตสักที่หนึ่งไอ้เลยจิตคือความเป็นสุขเป็นทุกข์นั่งทําใจให้สบายเถอะทีแรกมันกําลังกลุ่มใจดูความกุ่มไปเอความกุ่มหายไปใจก็สบายสบาย เอ้นี่เขไม่ใช่จิตอีกแล้วอ้นี่ก็ถูกดูอีกแล้วความจริงเนี่ยท่านสอนอย่างนี้เรากลายเป็นผัดแยกรูปแยกนามนั่นเองว่าอันเนี้ยคือร่างกายนะนี่คือรู ป, ปบบตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเทา้าไม่ใช่จิตนะเวทนาเรานั่งรถไปไปนานเมื่อยความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายความเมื่อยไม่ใช่รูปความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตเป็นของถูกรู้อีกนะนั่งดูไปเรื่อยๆหรือความคิดเป็นจิตนะ สวดมนต์ดูนะพุโทโธสูตโธครุนามะันโนโวเนี่ส่วนเอ๊ความคิดก็ถูกรู้อีกแล้วไม่ใช่จิตอีกดูไปดูไปอ๋อจิตมันคือคนที่ไปรู้อารมณ์นั่นเองนีเพาเราฝึกมาถึงตรงนี้นะต่อไปนี้ก็เริ่มดูจิตท่า น, นอกให้อ่านก็เฝ้ารู้อยู่ที่ใจของเรานะรู้ไปตื่นนอนตอนเช้ารับราชการตอนน้นอยู่สภาขมันคงตื่นนอนมา เช้าวันจันทอาจารย์รู้สึกไงเช้าวันจันแต่เช้าวันศุกร์รู้สึกไม่เหมือนกันเนี่ยปฏิบัติแล้วนะเห็นไหมการปฏิบัติง่ายขนาดนี้เช้าวันจันทร์ยังไม่ทันลืมตาเลยนึกได้ว่าวันนี้วันจันนะแหมจิตใจแห้งแล้งเบื่อต้องไปทํางานอีกแล้วเช้าวันศุกร์ยังไม่ทันลืมตาเลยนึกได้วันศุกร์แหมสดชื่นจังรู้ว่าสดชื่นทุกคนรู้ได้ทุกคนรู้สึกได้แต่ทุกคนละเลยที่จะรู้มัน ยกตัวอย่างพระช้าวันจันทร์ตื่นขึ้นมาใจแห้งแล้งก็เริ่มคิดไปแล้วโอ้อาทิตย์นี้ต้องไปผจญไอ้นู้นต้องประจญอันนี้เยอะแยะเลยเนี่ยลืมดูจิตใจตัวเองมัวแต่ไปคิดถึงอนาคตนะหรือเช้า ว, วันศุกร์ตื่นมาสดชื่นแทนที่จะรู้ว่ากําลังสดชื่นนะคิดไปแล้วเย็นนี้จะนัดใครไปเที่ยวดีนะเราหลงไปอนาคตบ้างไปอดีตบ้างแทนที่เราจะรู้ว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไง อยางตื่นขึ้นมาจิตใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแ้ง่ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นกลางเพราะความแห้งแล้งมันไม่เที่ยงเอาเสร็จแล้วไปอาบน้ำแต่นะก่อนอาบน้ําในตุ่มนะรุ่นอาจารย์นี่จะรู้จักรสชาติของการอาบน้ําในตุ่มสมมุติหน้าหนาวพอเห็นตุ่มแล้วรู้สึกยังไงนะตอนเช้าๆจะอาบน้ําเนี่ยสยองสยองรู้ว่าสยองเนี่ยคือการปฏิบัตนะิจะเห็นเลยความสยองเป็นของสุขรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป อาบน้ำไปโอ้โหขันแรกนี่แทบขัดใจแต่สามสี่นี่ชักสบายเนจะิตใจไม่คงที่แล้วที่สยองมากก็น้อยลงน้อยลงในสุดเฉยเฉยพออาบเสร็จเช็ดตัวได้ดูดูแลดีใจอีกแล้วเนยะความสยองเปลี่ยนเป็นดีใจรู้ว่าดีใจมีการปฏิบัติอาเสร็จแล้วมาทานข้าวนะโอ้โหวันนี้มีแต่อาหารของปโปรดนะเห็นของปโปรดแล้วดีใจมีความสุข วันนี้เจอแต่ของไม่ชอบเลยแมจิตใจแห้งแง้งไม่เข้ารู้ลงไปออกมาที่ถนนหมูโวันนี้รถเต็มถนนเลยเห็นแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อไปรอขึ้นรถเมย์โอ้คนแน่นขึ้นไม่ได้กระสับกระส่ายกลัวไปทํางานสายรู้ว่ากระสับกระส่ายเห็นรถเมย์ว่างๆมาดีใจแต่รถเมย์ไม่ยอมจอดเนี่ยเปลี่ยนจากดีใจเป็นโกรธตามรู้ไป เนี่ยเรื่องเ่าการปฏิบัติสมาทําอยู่เท่านี้เองไม่ได้ทําอะไรลึกลับเลยนะแต่ถึงที่ทํางานต้องเจดจ่อกับ ง, งานครั้งนี้จเจริญสติไม่ได้เป็นเวลาที่ใช้สมาธิในการทํางานทาแปทําไปชั่วโมงสองชั่วโมงชักขี้เกียจขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจนะเสร็จล้อาจได้เวลากลับบ้านดีใจรู้ว่าดีใจนะกลางคืนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินิดหน่อยไม่ได้นั่งเยอะเพราะว่า ในความเป็นจริงก็คือได้เริ่มปฏิบัติวิปัสสนามาตั้งแต่ตื่นนอนนะถ้าเราไปแยกว่าเอาล่ะตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัตินะสวนมนต์ไหว้พระนั่งสมาี่นี่คือเวลาปฏิบัติเวลานอกจากนั้นไม่ใช่เวลาปฏิบัตินี่เราแยกส่วนของชีวิตเป็นสองส่วนแบบนี้ไม่ได้กินหรอกการปฏิบัติต้องอยู่ในชีวิตจริงๆของเราเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเมื่อไรรู้สึกตัวเมื่อนั้นมีการปฏิบัติ เมื่อไรขาดความรู้สึกตัวอ่านกายอ่านใจไม่ได้เมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัตินั่งสมาธิโต้รุ่งเลยใจเคลิ้มริบหรี่ริบหรี่ไม่ได้ปฏิบัติหรอกนะเดินจงกลมโต้รุ่งเลยแค้งขาจะเด้งได้ความอดทนเดินแล้วไม่ได้สติก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญอยู่ที่ความรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวอ่านกายอ่านใจได้ก็เรียกว่าปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นง่ายมากการปฏิบัติ เน่ย้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆวันไหนดูไม่รู้เรื่องเลยหุ่นวายเต็มทีแล้วทําสมถะหน่อยนะพุโทโธพุโทโธไปหายใจไปทําให้จิตใจมันพักผ่อนพอจิตใจชุ่มชื่นมีแรงแล้วก็มาดูกระตอต่อมาอ่านต่อเนี่ยอ่านจิตอ่านใจอยู่อย่างนี้เองจะเห็นเลยว่าอารมณ์นั้นเกิดอารมณ์นี้ดับทั้งวันแหละไม่บังคับไม่แฟกแฝงนะไม่ใช่กิเลสเกิดเราไปห้ามมันกุศลเกิดแล้วไปรักษามันไม่ใช่ทําอย่างนั้นเข้ารู้ไปเฝ้าที่เป็น นี่พอรู้มากเข้ามากข้าวจิตเขาจะพัฒนาของเขาเองนะทำอยู่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนพอดีเลยยิบสามกันยาสองห้าวันนั้นออกมาจากทมเนียบโอ้ฝนตกใหญ่อายุก็แรงมากนะกลางร่มออกมานะทีแรกหัวลมมันพัดปุ๊บเดียวร่มพับไปเลยหักไปเลยครนะาวนี้เปียกฝนทั้งตัวพรเปียกฝนแล้วทุกครั้งที่เปียกฝนเนี่ยจะต้องเป็นวัด เริ่มกังวลใจเดี๋ยวต้องเป็นไข้ล้วกังวลนี่เคยชิน เ, นยเคยปฏิบัติกังวลดูกังวลหนีเข้าไปอยู่ที่วัดโสมออกจากคำเหนียบหลบอยู่ในกุฏิเจ้าคุณศรีเจ้าคุณพิจิตติกุฏิพรวันรัฐนั่งอยู่คนเดียวพระท่านไปส่งน้ํานั่งกอดเท่าด้วยซ้ําไปโอ้เราแย่แล้วรอบนี้เหียกฝนทั้งตัวเราต้องไม่สบายแน่เลย เสรแล้วก็เอ๊ะมันกังวลอีกแล้วทําไมยังไม่ทันจะป่วยเลยมันกังวลอีกแล้วดูไปที่ความกังวลจะไม่เจตนาเลยนะหลังจากนั้นจิตใจมันเปลี่ยนแปลงของมันเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมันปัดความรับรู้ภายนอกรวมเข้าไปเป็นหนึ่งเลยแล้วเขไปเข้ารู้เข้าเห็นข้างในเขาดําเนินของเขาเองเพราะฉะนั้นาการปฏิบัตินเนี่ยให้ตามรู้กายตามรู้ใจไปเลยง่ายๆไม่มีอะไรเลย อย่าทำให้ยากพวกเราชอบทําให้ยากอย่างเช่นทําอย่างเนี้ยไหมเเริ่มถึงเราก็เริ่มทําใจให้มันนิ่งๆก่อนทากายให้นิ่งทําใจให้นิ่งแล้วก็นั่งจ้องไว้ดูว่าเมื่อไร่อะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่ทําให้ชา้าพอจะสังเกตเออกไหมใจหนีแวบบแวบบแวบบ เ, เขารู้ไปรู้การที่เขาสายออกไปเขาสายออกไปบางทีก็สายไปไม่มีเรื่องมีราวไหวแวบบไปพารู้ทันก็ดับบางทีไหวแวบบออกไป แต่คิดเนื่องคิดนี่เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอันั้นเราก็รู้สุขทุกข์ดีชั่วไปรู้จิตไม่ได้ก็มารู้กายเช่นดูจิตใจไม่ออกก็ดูไปรูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งเห็นรูปมันนั่งอยู่รูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนอนเหมือนเราดูหุ่นยนต์อะไรสักตัวหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวไปไม่ใช่ตัวเราเนี่กายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆเช่สรุปแล้วการปฏิบัติ ง่ายนิดเดียวแหละอย่าไปทำอะไรมากให้มันยุ่งยากไดเองเชิญอาจารย์เชิญก็คือจิตนั่นเองนะห้าคืออายตนะหกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพาธรรมารมนะตาก็ดูรูปหูฟังเสียงนี่ได้อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งพอถึงใจรู้ธรรมารมเนี่ยธรรมารมเป็นคำที่ใหญ่มากเลยนะ ธรรมารมณ์นี่ประกอบด้วยรูปบางอย่างอย่างรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราหลับตาเราก็รู้ยืนเดินนั่งนอนได้เพราะเรารู้ได้ใจ น, นี่รูปอย่างนี้รู้ได้ใจนะเจตสิกทั้งหมดเลยรู้ได้ใจจิตทั้งหมดเลยรู้ได้ใจนะอ๋อคือผู้รู้คือจิตชนิดหนึ่งผู้รู้คือจิตซึ่งประกอบด้วยสติสัมมาสมาธิมีปัญญา จิตบางดวงเป็นอกูสนไม่มีสติบางดวงมีสติไม่มีปัญญาอะไรเงี้ยแต่จิตผู้รู้คือจิตที่มันรู้สึกตัวนะอะไรแปลกปลอมเข้ามามันเป็นคนรู้เป็นคนดูไม่หลงเอาง่ายๆก็ได้เรามีจิตสองอย่างนะคพูดให้ง่ายที่สุดเลยผู้รู้กับผู้หลงนะอาจารย์สังเกตไหมอย่างเราเวลาเราดูเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเนี่ยใจเราหลงไปอยู่ที่เขาเนี่ยเรามีจิตผู้หลง แต่ถ้าเรามีจิตผู้รู้เราจะเห็นเลยว่าจิตวิ่งไปที่เขาปุ๊บรู้ทันจิตที่วิ่งไปไอ้จิตดวงที่รู้ทันว่าจิตดวงก่อนนี้หลงไปตัวนี้เรียกว่าจิตผู้รู้คือจิตที่รู้ทันสภาวะนั่นเองเรียกว่าจิตผู้รู้นี้่แต่จิตผู้รู้ก็เกิดดับเกิดดับนะไม่ได้เที่ยงเพราะว่าจิตไม่มีดวงไหนเที่ยงเลยโอจิตมีแปดสิบเก้าอย่างเลยแต่เราไม่ต้องเรียนเยอะเราเอาว่า จิตขนาดนี้รู้สึกตัวหรือจิตขนาดนี้หลงเอาเท่านี้ก็พอละสังเกตไหมว่าเดี๋ยวเราก็หลงดูเดี๋ยวเราก็หลงฟังเดี๋ยวเราก็หลงคิดะหลงทางตาเนี่ยหลงอย่างเดียวคือไปหลงดูหลงทางหูก็หลงได้อย่างเดียวไปหลงฟังแต่หลงทางใจเนี่ยหลงได้เยอะเลยหลงคิดก็ได้หลงเชิญเพลินไปเลยคิดอะไรก็ไม่รู้ก็ได้หลงนั่งเท่งก็ได้หลงสำรวมทําเป็นเรียบร้อยอยากปฏิบัติเนี่ยทําใจทื่อๆนี่หลงอยู่นะเราก็ไปคิดว่าจิตชนิดนี้ดี เนี่ยจิตหลงคิอจิตไปแอบปรุงแต่งโดยเรารู้ไม่ทันว่ามันปรุงแต่งนั้นแหละเรียกว่าหลงเป็นมหากรูสญญาณสัมพยุตนะเป็นมหากรูสญญาณสัมพยุตแล้วถ้ามีคุณภาพจริงๆจะเหลือสองดวงคือแบบที่ไม่ได้ชักชวนให้เกิดเกิดเองนต่ถ้ายังต้องคอยกล่อมให้เกิดสตินี่ไม่ใช่สติตัวจริงอ่ะถ้าจะ จำแนกจากแปดสิบเก้าเอาให้ชัดๆเป๊ะๆเลยก็เหลือสองดวงนะคือมหากุศลญาณสัมปยุทธอสังขาริจังนะที่มีสองดวงเพราะว่าดวงหนึ่งเบิกบานดวงหนึ่งเป็นอุเบกขานะเพราะฉะนั้นจิตที่เราใช้เจริญสติจริงๆเนี่ยเป็นมหากรุสลรจิตนะจิตในขณะนั้นจะมีเวทนาสองอย่างทราสมมนั้นในขณะนั้นเบิกบานรู้ไปด้วยเบิกบานไปด้วย หรือในขณะนั้นเป็นอุเบกขาเฉยๆแต่เฉยๆอย่างนุ่มนวล น, นะไม่เฉยแข็งกระด้างแต่ถ้าเมื่อไรปฏิบัติแล้วจิตเครียดจิตหนักๆต้องรีบหยุดทันทีจิตที่เครียดจิตที่หนักมันคืออากูสโอลจิตคือโทสามูลจิตเพราะฉะนั้นปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วรู้สึกพึงแน่นขึ้นมาเนี่ยหยุดเลยทําผิดแล้วถ้าผิดแล้วขยันแนละ้วก็จะไกลกลนิสตีทํำยังไงสตีจะเกิด สติต้องเกิดเองนะสติมีการจําสภาวะธรรมได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนี้ทําไงจะจําสภาวะธรรมได้แม่นก็ตามรู้กายตามรู้ใจเนืองเนืองนะเนี่ยอย่างสมมติว่าเราเคยหัดเวลาเราพยักหน้าเราเคยรู้สึกตัวแล้วนะต่อมาเราเผลอเผชิญอาจารย์นครดีใจจะไปทักอาจารย์นครพอขยับตัวแว บ, บเดียนเนี่สติจะเกิดเองเลยเพราะมันเคยรู้สึกตัวเวลาเคลื่อนไหวหรือเราเคยรู้สึกตัวเวลาจิตเกิดความสุขความทุกข์ หรือเกิดกุศลนกุศลนี้เราเคยรู้สึกแบบโกรธขึ้นมารู้ทันพอมาเราไม่ได้ตั้งใจจะดูนะพอคุยคุยอะ ค, คนนี้พูดขัดหูเราแนะล้วปควมโกรธปุดขึ้นมา น, นี้สติเกิดเองเลยแล้วนะสติอย่างนี้ถึงใช้ได้แต่สติที่แกล้งทําให้เกิดแข็งแข็งทื่อๆนี่ไม่ใช่ของจริงเลยนี่อกุศลนะเพราะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยต้องเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานจิตทื่อๆแข็งแข็งนั้นอกุศล เห็นไหมเผลอทราบไหมหนีแวบว่าไงอ่ะอาจารเก็บฝึกที่ไหนรู้บ้แต่ที่ว่าผมก็ไปที่แว่ชีดีอีกครั้งเดียวเพื่อวีสามสามสิบแล้วก็ไม่ได้ไปที่ไหนอ่ะคนนี้จะติดแบบตัว่หน คนที่เคยฝึกแล้วเนี่ยฝึกยากเพราะว่าเวลาเราฝึกส่วนมากเราชอบทำเวลาไปฝึกที่โน้นที่นี้ต้องไปทําแบบนั้นทําแบบนี้ถ้าเราเริ่มต้นว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้ตามรู้กายตามรู้ใจทําไมรู้ใจ ร, ร, ร, ร, รู้ใจรู้ใจรู้ใจแล้วไหได้ฟุกงฟูทุ้งก็คือกายกับใจความผ่านขันคือตัวฟุ้งวิธีตามวิจิตรรู้ตามรู้ง่ายๆท่านี้ เร่ใครๆก็รู้ได้อย่างโกรธล้วก็รู้ว่าโกรธแต่ส่วนหน้าเรารู้ทีหลังเช่นเมื่อวานนีกเด็กอันนี้นึกได้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ทำเมื่อกี้นึกโกรธเนี่ยกำลังโกรธอยู่แล้วเกเฉลียวใจว่าฮะโกรธอย่างนี้ใช้ได้ต้องแบบนี้ช่างมันช่างมันเพราะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะห้ามความโกรธแต่เราจะฝึกใ ห, ให้รู้ใหเรื่อยหัดรู้ไป อัดรู้ทีแรกก็รู้สึกหมายเราก็ยังโกรธอยู่เพราะว่าสติเรายังไม่ดีพอแต่ต่อไปพอฝึกมากมากนะครับขนาดที่โกรธปั๊บเนี่ยแล้วพอ ร, รู้สึกตัวปั๊บเนี่ยมันโกรธจนขาตัเองเลยเพราะว่าสติกับอภูสโตรเนี่ยเกิดร้องกันไม่ได้เมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีอภูสโตรอกแต่บางคนโกรธแล้วก็นั่งดูเมื่อไหร่จะหายโกรธสักทีเนี่ยกําลังมีอภูสโตอยู่คือเกลียดความโกรธ มีความโกรธอยู่แล้วก็เปิดตัวตาอีกตัวหนึ่งไม่ชอบความโกรธตัวเก่าจิตกำลังมีความโกรธอยู่เพราะฉะนั้นดูไงก็ไม่หาแต่ถ้าเฉลียวหลดกำลังเติมเชื้อความโรออกรธลงไปเรื่อยๆโกรธอยู่แล้วเสียวใจว่าโรรกรธปั๊บเลยจะขาดเองเลยนี่อาจารย์หัดเื้อต้นหัดตรงนี้ง่ายๆเลยเสือกับรู้เสือกับรู้จะรู้เลยเดี๋ยวใจเราเสือแวบเสือไปคิดอ่ะพอมันคิดไปเรารู้ทันเมื่อกี้คิดตรงนี้รู้ หัดไปเรื่อยๆเผลอจะตั้งลงตั้งลงจะเผลอบ่อยขึ้นนะในเดิเมเผลอเวลาตั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่มาประหดเจริญสติเนี่ยเผลอแวบรู้แวบรู้ไปเรืในสุดจิตมันก็จะเห็นความจริงว่าจิตที่เผลอเนี่ยเป็นอกุศลจิตเกิดแล้วประดับจิตที่รู้สึกตัวเป็นมหาอกุศลจิตเกิดแล้วประดับเหมือนกันจิตทุกอย่างเกิดแล้วปดับ ดูจิตอาจารย์รู้ง่ายๆจิตเดิสี่ตัวก็พอจิตมันมีมีมทั้งหมดสิบหกเราดูแค่แปดเพราะอีกอีกแปดตัวหลังเนี่ยเปนจิตของคนที่เดินฌานนี้ถ้าเราไม่ได้เดินฌานเราดูจิตมีโทสะ ร, รู้ว่ามีโทสะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าโกรธกําลังโกรธหรือว่าโกรธอาจารนครเกิดเฉลียวใจว่าโกรธจิตที่รู้ว่าวะตะกี้นี่โกรธเนี่ยจิตตรงนี้เป็นจิตที่ไม่มีโทสนะ แต่จิตที่โกรธเนี่เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นผู้ผู้แต่เมื่อกี้นี้โกรธตรงนี้ไม่โกรธเมื่อกี้นี้โลภตรงนี้ไม่โลภเมื่อกี้นี้หลงตรงนี้ไม่หลงเมื่อกี้ฟุ้งซ่านตอนนี้โกรธขู่อะไรอย่างเงี้ยดูไหมรู้อาการรู้อาการรู้อาการรู้สองอย่างอาจารย์ถ้าทางกายรู้อาการของกายเช่นกายอยู่ในอาการยืนเดินนั่งนอนรู้อาการของกายในจิตเรารู้สองตัวรู้อารมณ์ของมันหมายถึงรู้ความรู้สึก มันรู้อาการของมันหรืเนะช่นความรู้สึกมันมีความรู้สึกสุขมันมีความรู้สึกทุกข์หนระือมันมีความรู้สึกโลภโกรธห ล, ลงหรือมันิมีปีติมีสุขเนี่ยเป็นตัวกลับเป็นารมของมันนะเป็นความรู้สึกของมันอันนี่ยอีกตัวหนึ่งที่เราดูกับจิตก็คืออาการของจิตเช่นเดี๋ยวก็หลงไปทางตาเดี๋ยวหลงไปทางหูเดี๋ยวหลงไปทางใจคือรู้ทันอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อ ต่วงตะกี้นะจะทานข้าวเห็นกับข้าวอย่างนี้มีความสุขหรือมีความทุกขเนี่ยคือดูจิตเข้ารู้ไปเรื่อยเวลาดูต้องควบควบกันนะดูทั้งจิตทั้งเวทนาดูเจตสิกงั้นย่อๆลงมาก็คือรู้รูปรู้นามนามอะก็ไม่ต้องไปนั่นแยกมากมายอันนี้เวทนานี้สัญญาสังขารเอยยุ่งวุเนวายก็แค่ตามรู้ไปรู้กายรู้ใหญ่ อย่างรู้ใจเช่นใจเราเผลอไปคิดรู้ทันนั่งนั่งอยู่ใจหนีแวบไปรู้ว่าหนีแวบไปแล้วนี่หัดรู้อย่างถ้าแวบยาวก็จะเป็นเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วนี่อาจารย์รู้สึกไหมเดี๋ยวก็รู้สึกตัวไม่เดี๋ยวก็ไหลแวบไปเดี๋ยก็รู้สึกเดี๋ยวก็แวบไปนี่เรารู้อย่างนี้เรื่อยๆนี่มันจะเห็นการเกิดดับไหลไปนี่หลงไปอัติโนสนเกิด รู้สึกตัวขึ้นมากุศลมันเกิดแต่ก็อยู่ไม่ได้แต่ทั้งความรู้สึกตัวก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ เ, เกิดดับเหมือนกันเราจะเข้ารู้ร จ, จนัรู้ว่าจิตทุกชนิดจะเกิดดับบังคับไม่ได้ไม่ได้ฝึกจนบังคับได้นะ ต, ตัวเนี้จุดจุดนี้ต้องทําความเข้าใจไม่ใช่ปฏิบัติจนบังคับกายบังคับใจได้แต่ปฏิบัติจนเห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้ ถ้าตั้งเป้าผิดแล้วก็เราจะไปไกลแต่เวลาฝึกให้มันนิ่งบังคับมันให้ได้นะหนีบิคิดเดินไหลไปคิดรู้ว่ามันมีไปคิดคอยตามรู้แบบรู้สภาวะ